ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยสามสิบเอ็ดพระเยซูทรงทํานายถึงมรณกรรมของพระองค์และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์อีกพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบเจ็ดข้อที่ยี่สิบสองยี่สิบสามโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า ครั้นพระองค์กับเหล่าสาวกชุมนุมกันอยู่ในแคว้งกาเิลีพระเยซูจึงตรัสกับเขา ว, ว่าบุตมนุษย์จะต้องถูกอาญัตไว้และจะประหารชีวิตท่านเสียในวันที่สามท่านจะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่พวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์ยิ่งนักที่น้องครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ในมัทธิวบทที่สิบเจ็ดข้อย2 2 3ิบสองยิบสามนั้นก็ตรงกับพระธรรมมารโกบทที่เก้าข้อที่สามสิบถึงข้อสามสิบสอง และลูกาบทที่เก้าข้อที่ส3่ิบสามถึงสีสิบห้าเราจะมาเริ่มจากมาระโกก่อนนะครับตามบันทึกของมาระโกนั้นพระเยซูกับเหล่าสาวกออกจากที่นั่นเสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดรู้ว่าพระองค์กับเหล่าสาวกอยู่ที่ไหนเพราะพระองค์กำลังสอนเหล่าสาวกตรงนี้เองทำให้เราทั้งหลายรู้ว่า การสร้างสาวกนั้นเป็นเรื่องที่พระเยซูยึดเป็นหลักนอกจากพระเยซูจะปฏิบัติมวลชนให้การรักษาโรคทําการอัศจรรย์สั่งสอนคนทั้งหลายแต่พระเยซู ย, ยังต้องสงวนเวลาไว้สําหรับเหล่าสาวกและพระองค์ได้ใช้ชีวิตกับเหล่าสาวกเป็นการส่วนตัวเราจะเห็นว่าการสร้างสาวกส่วนตัวนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมากพระเยซูทรงให้ความสำคัญฉะนั้นในข้อที่สามสิบเอ็ดก็เป็นอีกข้อความหนึ่งที่เล่าถึงการที่พระเยซูจะถูกมอบไว้ในมือของผู้ที่จะประหารพระองค์ยังไงก็ตามครับหลังจากนั้นพระเยซูเน้นนะครับวัดสามวันพระองค์จะเป็นเครื่มาความตายแต่เราสาวกไม่เข้าใจข้อความนี้และมาระโกบันทึกว่าพวกเขาก็ไม่กล้าทูลถามพระองค์ ก็ จ, จะมีหลายหลยคนตั้งคำถามว่าทาไมพวกสาวกจึงไม่กล้าทูลถามพระเยซูแท้ที่จริงแล้วนะครับพระเยซูสอนหลายครั้งแล้วในเรื่องของการเป็นขึ้นมาจากความตายแต่สาวกก็ไม่เข้าใจครับเพราะว่าการเป็นขึ้นจากความตายนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาและเป็นเรื่องที่เข้าใจยากจริงๆนะครับการเป็นขึ้นจากความตายนั้นถามว่า เป็นเรื่องที่ยากที่สุดใช่ไหมคำตอบคือใช่ครับแต่การป้องกันตัวเองไม่ให้ตายนะครับก็เป็นเรื่องที่ง่ายกว่านักแต่พระเยซูเป็นผู้ที่มีความสามารถพระเยซูมีฤทธานุภาพมีอำนาจไม่จํากัดทําไมพระเยซูจึงต้องยอมตายด้วยทําไมพระเยซูถึงไม่ยอมที่จะไม่ตายนะครับการไม่ตายง่ายกว่าการเป็นเครื่องหมายความตายอันนี้คือ เป็นสิ่งที่สาวกนั้นก็ไม่เข้าใจพี่น้องครับเขาไม่เข้าใจว่าพระเยซูจะต้องชิ้นประชวรบนไม้แหงเขนเขาไม่เข้าใจว่าการชินประชวรของพระองค์นั้นเป็นการตายเพื่อพวกเขาและคนทั้งโลกเขาไม่เข้าใจว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเมสสโปรดที่จะต้องถูกนําไปฆ่าเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสิ่งแตงเหล่านี้ครับเขาไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นในมัทธิวบทที่สิบ็ดข้อยี่สิบสามได้บอกว่าพวกเขานั้น แซดมากครับคือเสียใจมากเป็นทุกข์มากเกี่ยวกับค้ำพยากรของพระเยซูที่บอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระองค์ับนี่คือประเด็นที่สำคัญมากหลายแลาครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมพระเยซูถึงจะต้องตายแต่ในสมัยต่อมานะครับเมื่อพระคัมภีร์ได้ถูกบันทึกเรียบร้อยเราเข้าใจครับจาก คำสอนของอักขาทูตเปาโลก็ดีคำสอนของอคัคขาทูตเปโตก็ดีคำสอนของอักขาทูตคนอื่นๆก็ดีที่บันทึกอยู่ในพระธรรมกิจการบันทึกอยู่ในจดหมายฝากและแม้กระทั่งบันทึกอยู่ในพระธรรมพิวรเราเห็นชัดเจนครับว่าการสิ้นบัชนหรือการตายของพระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากในคําพยากรณ์ของพระเยซูยังระบุด้วยครับว่าพระเยซูจะถูกทรยศคําว่าถูกอาญาต มีความหมายว่าถูกทรยศมาจากภาษากรีกเรียกว่าพาราดิม P A R A D I D O M พาราดิมหมายถึงการที่มอบคนหนึ่งไว้ในมือของอีกคนหนึ่งในลักษณะของการทรยศหักหลังนะครับในบันทึกของลูกาในพระกิตติคุณลูกาได้กล่าวว่าพวกสาวกนั้นไม่เข้าใจถึงคำพยากรณ์นี้ เพราะคุพยากรณ์นี้ถูกปิดบังไว้จากพวกเขาพวกเขาจึงไม่เข้าใจเขาไม่อาจเห็นความหมายตรงนี้ได้ไม่อาจประจักษ์แจ้งไม่ไปถึงบางอ้อครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้านะครับถ้าเขารู้เขาเข้าใจเป็นไม่ได้ครับว่าชาวโลกนั้นจะก่อการกบฏหรือจะพยายามต่อต้านยับยั้งนะครับ ถ้าว่าเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าพระเยซูจะถูกประยชน์และถูกบรนดาผู้นำชาวยิวค่าพวกเขาคงจะห้ามไม่ให้พระเยซูเข้าไปใกล้ยเยรูซาเล็มที่พระองค์ตรัสว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่นั่นเป็นไปได้ครับว่าในที่สุดพวกเขาก็เชื่อว่าพระเยซูจะต้องสิ้นพระชนนแน่แต่แม้การ น, นั้นก็ตามครับความคิดเรื่องการเป็นเพื่อความตายก็ยังเปลี่ยนเรื่องลึกลับเข้าใจไม่ได้ถามว่าทํำไมเข้าใจไม่ได้นี่คือการ ปิดไว้นะครับเพื่อที่จะให้บังเกิดขึ้นแล้วสาวกจะเข้าใจในภายหลังเราจะดูกรรมนะครับว่าคําว่าทรยศนั้นก็คือเกิดขึ้นจากยูดาสนั่นเองยูดาสหรือยูดาอิสคาริโอตนะครับเขาขายพระเยซูพูดง่ายก็คือว่าเขาใช้พระเยซูนั้นเป็นเครื่องมือทำมาหากินของเขานะครับเขาใช้ความเป็นลูกศิษย์ ของพระเยซูความเป็นคนใกล้ชิดของพระเยซูความเป็นเหรอแลยิกของกลุ่มนะครับไปเป็นเครื่องมือที่จะทําให้ตนเองร่ํารวยนะครับยูดาสเนี่ยคิดว่ายังไงพระเยซูก็คงไม่เป็นอะไรเมื่อเขาคิดว่าเขาจะขายพระเยซูหรือเขาจะเอาพระเยซูไปแลกกับเงินถามสิบเหรียญยูดาสยังไงก็คิดว่าพระเยซูคงเอาตัวรอดได้แน่ที่น้องครับ ยูดาสนั้นพื้นเพของเขาชั้ชาติชัญชาติตยานดิบของเขานั้นก็คือเป็นคนละโมบเป็นคนโลภเห็นแก่ได้นะครับคนเหล่านี้ครับเสียชีวิตของตัวเองแล้วไม่ได้อะไรเลยคนเหล่านี้ก็ทําให้ตัวเองนั้นหรือทําให้คําสอนของพระเยซูหรือทําให้การสิ้นประชนของพระเยซูที่มีมาถึงตัวเขานั้นเสียของ ไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะอะไรครับเพราะความล้ำโบสของเขาเขากราบไหว้บูชานมันส ก, การเงินทองเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นเขาสามารถทําอะไรก็ได้และคิดไปเองว่าพระเยซูจะต้องยังไงเสียรอดแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือความคิดเบื้องหลังของยูดัสผู้ทรยศพระเยซูพี่น้องครับในสมัยนี้อาจจะมียูดัสก็เป็นได้ เพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าในบางครั้งมีคนอาศัยความเป็นคริสเตียนอาศัยคราบของความเป็นคริสเตียนไปทำมาหากินครับอาศัยผลประโยชน์นะครับหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออะไรก็ตามครับที่ไม่ได้เอาพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งแต่เอาตัวเองนันมาเป็นที่หนึ่งและเอาผลประโยชน์ของตัวเองนั้นมาก่อนหลายครั้งทีเดียว บางคนก็ถูกจับไล่จับได้ไล่ทันพวกเขาก็ต้องออกจากการรับใช้ไปบางคนถูกจับไม่ได้ไล่ไม่ทันพวกเขาก็ยังพงาดอยู่พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จากชีวิตของยูดาสนะครับยูดาสนั้นเป็นผู้ที่ล้มเหลวในการติดตามพระเยซูแม้ว่าเขาได้รับโอกาสจากพระเยซูเขาก็ยัง ทำร้ายทำลา ย, ลายและทรยศอกหลังพระเยซูพี่น้องครับถ้ายูดาสรู้เรื่องการเป็นขึ้นใหญ่ความตายผมอยากจะถามพี่น้องว่ายูดาสเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ยูดาสจะขายพระเยซูไหมครับพีน้องครับยูดาสคงไม่ขายพระเยซูแต่พวกเราในสมัยนี้สาหรับคนที่ขายพระเยซูนั้นเรารู้ครับว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเยซูทรงเป็นกึองอ่งเยความตายถึงพระเยซูหรือแม้กระ น, นั้นนะครับทาอย่างนี้พระเยซูทาอย่างนี้คนยูดาสสมัยนี้ก็ยังทำพระเยซูได้ลงคอนั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจมากพี่น้องครับผมและพวกเราทุกคนต้องใส่ใจในสารานี้ เราจะต้องทำให้แผ่นดินของพระเจ้าคือจักรของพระองค์และชีวิตของเรานั้นบริสุทธิ์เราจะต้องไม่เกลือนกลั่วกับการได้มาซึ่งเงินทองจิตใจที่ละโมบโลภก็ควรจะต้องห่างไกลจากชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยเราและทรงนำพาให้เรากลับใจใหม่อาเมน